ท่านผูป้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านโดยเฉพาะพระประจอและกาะครมโยชามาไทยในอุม า, า, าโสธิการทุกๆท่นานได้จ้างใจมาบำเพ็งกุศลร้างใจมาสร้างบุญให้เกิดวัฒนาสร้างผลงานให้เกิดชีวิต เพื่อความไม่ลงเหลวของชีวิตนี่แหละท่างทั้งหลายเอยถ้าคนไม่มีบุญไล่วาสนาแล้วส่วนมากชีวิตจะล้มเหลวทำให้เราคนนั้นไม่สบายใจคนที่มีความสาเร็จมีจิตเป็นกุศลแล้วทำให้คนเขาเหล่านั้นสบาย อ, อกสบายใจ มันมีความหมายแต่เราก็ไม่สร้างความสบายใจแต่ประการใดวันนี้จะพูดหลักเหตุผลของการสร้างวัฒนาให้ท่านฟังถึงเรื่องกฎแห่งกรรมในวันนี้กฎแห่งกรรมากคนไม่ทราบว่ากรรมนั้นมีจริงประการใดและผลกรรมนั้นจะส่งให้แก่เราชนิดไหน และเราจะได้รับผลเวรกรรมประการใดขอท่านโปรดตั้งใจฟังถึกไปณอกาสบัดนี้ขอเจริญพรเจริญสุขด้วยกันทุกทุกท่าน <c oughs> วันนี้อรตมาา้ดยโอกาสไปบัญญาที่บริษัทกระจกสยามกาเวียนจำกัด อุาษาตามเคลียสิเมนไทยอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระ บ, บุรีที่ดีใจมากก็เนื่องจากว่าผู้จัดการส่วนการบุคคลเป็นอิสลามมีศรัทธามานิมนต์สมาไปพู้รอมเยียกรรมาการผู้จัดการใหญ่ที่เขาสร้างมาได้สามปี ลงทุนไปกองหลายสี่พันหรือห้าพันล้านสามปีนี้ก็ได้ทุนได้กำไรแล้วหลอสร้างโรงงานสร้างกระจกทำกระจกของบริษัทสยามการ์เด้นที่เป็นเครือข่ายของ เลยาปูลชเมนไทยอาตมาคริบว่าเป็นรัฐวิษาติเปล่าเป็นของเอกชนโดยเฉพาะเข้าหุ้นการบริษัททั้งปูลชเมนไทยก็ได้ทราบมาว่ารัจการที่หกท่านมีหุ้นครั้งแรกลงทุนร่วมการสร้างโรงปูลชเมนไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่หกเขาลาาฟังอย่างนั้นแก่การฟัง ธรรมะก็ให้พูดบรรยายถึงเรื่องวันขึ้นปีใหม่คติธรรมในการขึ้นปีใหม่แล้วก็ถวายเจ้าทานกันตามเป็นควรก็ชาวพุทธมีน้อยกรรมาการผู้จัดจการวนบุคคลกุปมมลเสียนโศภิกก็เป็นชาวอิสลามด้วยอุตรามนิมน ถึงสามครั้งอาตมาก็ไม่รับก็พยายา ม, มาแค่นมีมนตายได้บอนิมนต์พูดไม่เรื่องให้เกิดความสมามัคคีความดีขึ้นีใหม่เล้าก็นางฟังก็เรียบร้อยก็คนมันต้องเข้ากะกันเข้ากะทำงานถึงย4ี่ชั่วโมงยี่สิี่นาฬิกา ที่บริษัทนั้นแล้ววันนี้เราดีใจเขาเป็นอิสลามจะทานพิธีติผู้เพียรบุชาประการใดอยู่แล้วเะนาศีนเองเดือยรับสีนเสียงดังเดือดแต่คนชาวพุทธไม่รับสีนเสียงดงังเป็นจค่ของแค่รับศีนหมุกหมิดมุกหมิดเลยก็ได้ยศีนหมุกหมิดไป อย่างนั้นไปยชามว่าดังเขาพิยามมนีมนเนี่ยเราก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าเขาเป็นอิสลามไปทาที่นันคนงานต่างๆบอกหลวงพอ่อเจ้านายพมไปอิสลามเละเป็นประทานพิธีวันนี้ด้วยูบทูปเทียนบูชาพระลาตายแล้วก็เริ่มตังนโมพร้อมตันและละตัตนาศีนด้วยเ้็นด้วย มายัางพังเตวิสุ้งวิสุ้งลับขณาฉายคนไทยชาวพูดอายบองคนแก่แล้วยังรัตนาสินไม่เป็นพอเสร็จแล้วรับสินเสร็จแล้วหลวพ่อครับรัตนาทำได้ไหมในอิสลาอิสลาว่เหตุใดเขาจะมาเาลี่ยมใส่เราก็เนียนจากอดเนะี่ยทั้งซื้อกดแห่งกรรม เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาได้รับเวรกรรมมาเนี่ยสนองงานให้เขาเขาจึงมีศรัทธาบอกยังไงหลวงพ่อมีมนไปสองครั้งบอกขอรับครั้งเดียวอีกครั้งหนึ่งคงรับไม่ได้ต้องรับไม่ได้เรางานเรามีมากงานมากมายหลายประการเดี๋ยวพรุ่งนี้ท้าหามจํายกกองคนใหม่มาฟังธรรม จะมาช่วยพัฒนาวาดดัดเดือดจะเดินจากลูกบลีไม่ขึ้นรถใช้ใช้ฝีมือในการอดทนเหมือนอย่างคนปูหญ่าตาชั่วของเราทําไร้ใช้มากําลังวางชาดีจังไม่ไมีไม่มีโรคบริหารร่างกายขข่มแรงเป็นต้นวันนี้ตมามท่าท่สังเกตเขาฟังทม อิสลามตั้งใจฟังเต็มที่เลยแต่ชาพูดคุยกันหลุ ง, งหลังทำงานเป็นเชลามมัมางคริกบ้างคาเทลิกบ้างในบริษัทนั้นมีทั้งพุธมีทั้งคลิกมีทั้งอิสลามเขาก็ตั้งใจฟังดีตั้งแต่ต้นก็เ น, นื่องจากเขายอมรับความจริงของกฎแห่งกรรมสองคนมาคุยกันมาเป็นผู้จัดการเหมือนกันแต่ผู้จัดการหลายฝ่าย มีหลาฝ่ายด้วยกันเขาบอผมยอมรับกฎแห่งกรรมครับผมก็เป็นอิสลามผู้นี้กเป็นคริสมาตั้งแต่ปูย่ย่าตายายของเขาเขาก็จำเป็นนาถือศีลเรื่องมาจนบบบนี้เนี่ยล้วเขามาฟังการบรรยายของเราแล้วก็อา่านหนังสือกฎแห่งกรรมเขาก็ไปปฏิบัติตาม หลวงพ่อครับผมเป็นต่างศาสนาแต่ผมก็เกิดในประเทศไทยเช่นเดียวกับคนไทยเหมือนการเป็นคนไทยด้วยแต่ต่างศาสนาแต่ผมไม่นำพาเนี่ยแต่ะมาที่ทบทวนนะ่ะคนต่างชาติต่างศาสนาต้องมีความรู้สูงเนี่ยคนที่พูดก็าตมาวันอิศรามื่อคืน ปริญาโทวิศวกรก็รงงานแล้วก็เก่งทางวิทยาศาสตร์สมเด็ต่างต่างประเทศหน้าบอกหลวงพ่อครับผมไม่เคยเชื่อโกดังตามเลยทางหลักศากสักดิ์นาพุทธสอนว่าทำดีได้ดีชั้นชั่วได้ชั่วทำกรรมก็ได้รับกรรม ทำมีบาปผลกรรมครั้งอดีตมาก็ได้รับตามปัจจุบันขนานีน้ผมขอยอมรับผมจึงไปมีมนุษย์พ่อมาในวันนี้ก็ไปเล่าเหตุผลให้เขาฟังว่าชีวิตแห่งการขึ้นจีิใหม่บอกเราเกลียนส่งสอกรสอในยาบอกส่งไปเรื่อยเยอะแล้วส่งของขวัญให้ผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างแต่อย่าลืมส่งของ ข, องขวัญให้ตัวเอง เรามีแต่ความทุกข์ความยากมีแต่ความชั่วในตัวแล้วไปจะไปส่งความดีไปให้ใครแล้วสอขอส่อส่งความสุขเขาต้องยอมรับอันนี้ที่ตามาดีใจนั่งเขาต่างชาติต่างศาสนาเ้ายังว่าสินห้าไดว่าได้ดังเรื่องชัดเจนเรื่แต่คนไทยชาวพุทธเราไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ก็มีมิชน้อย ไปสนใจเรื่องอื่นกันขึ้นมากมายไปดีพน์อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเคยมาที่วัดนี้แต่ผมก็ไม่เคยเลี่ยมใช้ศรัทธาชาวพุทธเป็นชาวพุทธแต่ประการใดแล้วก็ลองไปทำดูไปไปฏิบัติข้าวเขาก็ยอมรับว่าลูกเขาก็เรียนังถือเก่งแลวไม่เอเดอะไรเสีย ลูกเพื่อนเจเลเกษตรติดยาเสพติดอีกด้วยแต่ลูกของเขานั้นกลับเรียนยังเคยแข่งอยู่ชั้นเดียวกันมันก็ต่างแตกต่างกันเหมือนเราวรุ่นเดียวกันนะตกหลักสูตรมาด้วยกันทําไมเป็นใหญ่เป็นโตไม่เท่ากันอันนี้ก็นาพิจารณาแล้วขอฝากท่านทั้งหลายไว้อีกด้วย นี่การเจริญพระกรรมฐานเนี่ยทำให้ลึกเหกร์ตการชีวิตแบบขอให้ท่านทำจริงๆอย่าทำแบบล่มเหลวแล้วก็อย่าทำแบบที่ว่าขอไปทีมันย่ยาโยมเนี่ยอุบาสกบาริกามันนะ่ะกรรมฐานในวัดแต่ทีตมาจะเกเดการ์ไม่เด็การกใจเลยเนี่ยทำเขาทำเล้วกปรทาคิดว่ามาแลกบุญแ ล, ลกกุศลมันไม่ใช่ของขายของ ไม่จะไปค้าขายในตลาดจะได้ไปแลกกันเอาของไปแลกเงินแล้วเอาเงินไปซื้อของคงจะไม่ใช่ก็บุญกุศลไปแลกกันไม่ได้การโคลนต่างทำนะใครทําใครก็ได้สามีทำ ส, สามีก็ได้ภรรยาเป็นผูท้ทําภรรยาก็เป็นผู้ได้ออกมาอย่างนี้คนหนึ่งไล่ฟัง บอกว่าสามีที่เมาวันนี้เขาก็าล่าวจะชู้ด้วยเมาเนื้อใต้เลยแล้วแถนตีเขาเมาเขามาตีเขาโยมผู้หญิงเล่าบอกว่าพ่อคะหนูก็เดี๋ยวดูทีวีที่หลวงพ่อพูดหนูก็ไปสวดมนต์ลแล้วกว็แผ่สมบุกสมบให้สามี จะไปยังไงก็ไม่ว่ากันละไม่เคยเถียงกันต่อไปเลื่เถียงเรื่เถียงสามีย่าสวยพุทธคุณเทายุเกินหนึ่งวันนี้เขาไล่ฟังมีพยานหลักฐานแล้วก็สวยฟ้าห้องมากตาหนูท่องไม่ได้แล้วก็อ่านตำราบัดนี้ท่องได้ท่องให้มันดังคล่องปากแล้วมันคล่องใจคร่องใจทิงจะเกิดสมาธิ เกิดชมาทิละจิตมันถึงจะเป็นกุศลมันจะได้ผล ง, งานขึ้นมาณนะบัดนี้เนี่ยเขาบอกตั้งแต่นอนมาสามีไม่เคยตีค้าไีไม่ลงนี่แหละสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตานี่เนี่ยทำให้คนรักไคร่ไม่กรี๊ดได้วันนี้เขาล่าให้ฟัง ก็มานั่งฟังตลอดได้เรียบร้อยบอกหลวงพ่อวันนี้สามีมาเดิมามาจำให้ฟังหลวงพ่อพูดด้วยเขาก็เลิกเลิกหายนะเลิกอบายมุขจะหาความสุขในสังคมที่ใจชู้นั้นก็ค่อยค่อยหายไปเพราะหนูไม่เคยว่าเขามาก น, นีหืนแล้วไปด่าเขาด้วยเขาก็เตะเอา เขาก็เตะเขาก็ตอกแต่หนูก็ชูไม่ได้หนูดีปากเขาดีมือกับเท้าหมูด่าเขาทีลายเขาก็เตะทุกทีเลยเราก็เลิกด่าขอเจริญทพอนการด่าการว่าไม่เป็นเรื่องดีเลยมันยังมีบุตรที่ดาไปว่ากล่าวลูกไะเราสมควรจะพ่อแม่บาปบนลูกจูจีระวัง ลูกเสียหายหมดมันมีเตอย่างอยู่มากเลยวันนี้เขากล่าวผู้ดีใจกราบแล้วกลบับอีกบอกว่าลูกหนูดีสามีก็ไม่เคยว่าอะไรเลยก็ตอบได้เลยก็ว่าเกรงใจนั่นเองเกรงใจภรรยาเลิกด่ากันไม่จะทุบไม่จะตีกันต่อไปเลยเขาก็เกรงใจ ความเพลงใจนะั่นะคือความดีนะคนเรามันมีความดีเขาก็ทำให้คนเกรงใจไม่จำก็กล่าวว่าไปกลัวเขาเขากลัวเราเขามีปืนแล้วก็มีปืนเขามีเท้าแล้วก็มีเท้าแต่ความดีของเรานั้นแผ่เข้าไปทำให้เขาเกรงอกเกรงใจเราไม่ต้องมีปืนเขาก็กลัวไอ้คนมีปืนเอาไว้ยิงตัวเอง ได้ให้เดือดร้อนต่อภายหลังออกมาอย่างชัดเจนละ ว, วันนี้ได้ตำลาเยอะแต่มาก็ดีใจกระทั่งที่ไม่สบายเป็นไข้อย่างแรงก็ต้องไปพูดให้เขาฟังเขาก็มาเล่าผลงานให้เราฟังบารมงพ่อหนูให้ลูกสวดแล้แล้วลูกก็ตั้งใจเรียนหนังสือไม่ทะเลเกศแต่ประการได้ สามีก็มาเอาใจเอาใจใส่รักทั้งลูกรักทั้งเมียรักครอบครัวขึ้นวันนี้จะกําลาขึ้นจีใหม่แล้วก็ไปบอกเขาว่าจะขึ้นจีใหม่เนี้ยวันที่สามที่เบ็ดหลืออีกสิบกว่าวันเนี้ยอย่าไปกินเหล้าเมายาเนียเหมือนเราจะออกแขกเล่นละครไปสามที่แปดออกแขกไม่ดีบอกเรื่องไม่ดีแล้วมันจะเล่นไม่ดีตลอดชีวิต ในตีสามที่แปดมันจะใช่ไม่ได้บางคนใ่วันที่สาที่เบ็ดฉลองปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมากันแผลหมดน่าจะไปหาพ่อหาแม่เนะไปเรงงานในันาราบแต่ยังมีคุณแม่คุณพ่ออ ย, อ, จจ อ, ยพยอยู่ก็ควรจะไปหาวันที่สามที่เด็เพราะอาจจะให้หยุดราชการบ้างหรือไม่ก็ไม่ทราบถ้าหยุดก็ควรจะไป ไปหาพ่อหาแม่รายงานให้ท่าราบขอฟังโอวาทว่ากิจาการของลูกปีสามที่เบ็ดปีสองพาร้อยสามที่เจ็ดวันที่สิบเด็กจะสิ่งปีแล้วกิจาการดีกิจาการไม่ดีก็รายงานให้ท่านทราบ พ, พ่อแม่ก็มีความหวังตั้งใจว่า ถ้าลูกดีมีปัญญามีหลักฐานพ่อแม่ก็ชื่นใจถ้าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่ชื่นใจบ้างหรือพูดโดยเหตุผลถ้าลูกเดือดร้อนท่านเป็นพ่อเขาเป็นแม่เขาท่านกระยอนจะต้องเดือดร้อนไปกับลูกเดือดถ้าลูกอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการของลูกแ้วพ่อแม่ก็อายุยืนชื่นใจที่มีลูก หลักฐานงานดีรสร้างกุชอนบุญยารีเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอีกประการหนึ่งด้วยอันนี้มันมีประโยชน์มีประโยชน์ไม่ใช่น้อย <c oughs> วันนี้ก็ไปไรับเรื่องมาเนี่ยก็เล่าสูกันฟังวันที่สามที่เบ็ดอย่าไปลืมปุรายาณเมาได้ไหมสร้างบุญสร้างกุชอนลองดูที่ว่าปีสามที่แปดมันจะดีไหม สวดมนต์ไหว้พระและชิ้บัญชีบัญชีเก่าที่เรามาพระกันเทศบอกว่าไม่ดีทิ้งไปทิ้งไม่ได้มันไม่ดีอีไหนต้องเก็บมาให้ไดมาวิจัยว่ามันไม่ดีเพราะอะไรขาดทุนตรงไหนเราจะได้มาเปลงเมินผลขาดก็เติมเกินก็ตัดประหยัดเวลาไว้ใช้ปีสามสิแปดต่อไปไม่ดีหรือ อย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ได้คิดการเจริญกุศลภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้นทานศินาภาวนาการบริจาคทานนี้เนี่ยใครก็ทำได้เขียสลาให้เพื่อนได้แต่เสียสลาไปทางดีหรือทางชั่วมีสองประการนั้นถ้าเรามีสติสั้งชัญญามีสิ่งควบคุมจิตให้การทำทาน ทานท่านจะไม่ไร้ผลทานท่านจะดีถ้าเราบริจาคทานเสือกระไปไม่มีสติสัมปชัญญะในการทําบุญทุนทานเหมือนสินค้าไปเรือภายสินค้าไปเรือแจวแต่ท่านมีสติสัมปชัญญะดีควบคุมการทําทานทําบุญทางของท่านนั้นจะไปรถยนต์มันก็จะไวขึ้น มันจะได้ผลเห็นทังตาถ้าเรามีภาวนาตั้งสติให้มันปุดสายใจสะอาดหมดจดขึ้นมาแล้วควบคุมไว้อีกชั้นหนึ่งทำให้มีปัญญาในเมื่อได้ปัญญาแล้วทานของท่านจะไปเครื่องบินมันจะบินไปผักก็จะไม่เนา่าจะไปถึงเหตุการณ์ได้สมความมุมา่นตันา มันก็มีหลักสามประการนี้บางคนที่ว่าทำทานการกุศลไม่จำต้องกล่าวว่าเป็นบุคคลที่มาทำบุญทุนทานไอ้ขโมยโจรมันก็ทำบุญได้เมื่อหลายปีมานี้คนลักรถมันอยู่ลกบุรีนี่เองลักรถได้สิบคันมันบนเข้าไว้ตำรวจไม่ได้จับเลยจับไม่ได้ บนมาทอดทาป่าเลยบอกจะมาทอดวันนี้พอเล่าให้เราฟัางบอกไปทอดวัดอื่นเถอะเดี๋ยวเงินแกจะทสร้างวัดขา้าวัดท่าพล้อยให้วัดขัาพังไปด้วยไม่เอานี่แสดงเหตุผลจับจุดของการกระทำได้นี่โคโรบุรีเนี่ยที่กล้าพูดเนี่ยเพราะอะไรยร้ขโมยคนนี้มันตายไปแล้ว มันยังไม่ตายพูดไปเดี๋ยวมันก็จะมาเร่นงานเราเนี่ยดูที่มันลักรถได้สิบพันเลยลักรถแถวสิงห์บุรีอ่างทองเวลาบุรีกใกล้ๆเนี่ยตำรวจจับไม่ได้มันบุญไว้ไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่ชาบะบุญวัดไหนแต่คงไม่ใช่บุญวัดอภวันบนญวัดอวันดีแล้วขอให้ลัรถนายจะมาทําบุญบรักรองตำรวจจับได้แน่ อบนวัดนี้ดางตำรวจจับเลยนะขอฝากไว้มันมีจำราที่วัดนี้ใน่ไนมแล้วก็จะมาคิดจะมาทอดปาบาบอกเงินเหลือเหลือใช้มันบนไว้นี่ก็แสดงว่าไอ้พวกโจรขโมยมันก็ทำบุญได้แต่มันไม่มีศีลมันไม่มีธรรมมันก็เสียเวลาให้พวกมันได้ ทานจึงไม่แน่นอนทานที่แน่นอนที่สุดทานชั้นสูงของพระพุทธศาสนาคือเสียสละความชั่วออกจากตัวได้สละความไม่ดีเอาไปทิ้งให้หมดอย่างนี้เรียวกว่าทานชั้นสูงโยยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองละทิฐิมานะออกจากตัวไปให้ได้อย่างนี้เป็นต้น มันกว่าจะได้บุญได้กุศลเกิ ด, ดขึ้นโดยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดคิดว่าเราไม่มีเงินจะทําบุญถึงทานแล้วเราจะได้มีโอกาสไปทําบุญตรงไหนกั็นเรื่างเพราเงินเราก็ไม่มีขาดมือแล้วจะไปวัดไหนได้จะไปทําบุญไม่เป็นายทานการกุศล น, นั้นหมายถึงว่า เราก็เอากายไปช่วยเขาเอาจิตใจไปช่วยก็ได้เขามีงานสาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศลทางานส่วนรวมด้วยกันนะฮะเราก็สามารถช่วยได้ด้วยกำลังแรงงานกาลังแรงใจกําลังทรัพย์ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่มีจริงๆและเอากําลังใจช่วยกัรสาธุอนโมทนาตามหลักพระพุทธศาสานา เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสมเด็จด้วยการอนุโมทนาเ็ราะได้บุญเท่าการหมดไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองมาทำแต่ประการใดมันก็ได้ผลเท่ากาันบางคนก็ไม่คขอยใจที่จะต้องทำบุญทุนทานอย่างนี้ไปต้นการทำบุญทุนทานนั้นต้องมีสติปัญญาเนี่ขอเจริญพรว่า บางคนเนี่ยนึกจะทำอะไรไม่เด็กตึกกลองใครมาบอกบุญก็ทำตะพืช ท, ทำแล้วขาดสติปัญญาตายไปแล้วไปเกิดเป็นเศรษฐีงโง่ไม่มีสติปัญญาจะเรียนอะไรก็ไม่สาเร็จแล้วก็มีเงินมีทองมากมายก่กองก็ต้องไปหาคนอื่นจ้างเขามาเป็นผู้จัดการในบ้านจ้างเขามาเป็นผู้จัดการหมด ถ้าเราขาดสติปัญญาพราจะอ่าหลักพระพุทธศาสนาการจะทำอะไรต้องใช้ปัญญาก่อนใช้สติก่อนจะทำบุญสร้างโบสถ์หรือสร้างสลาหรือเขามาบอกบุญทุนทานอันใดต้องไกลกลองยทำอะไรก็มีสติยับยัง้งมีสติคิดว่าเขาทำนั้นมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์เราค่อยกะจะทำ แต่ยังไม่ทำประโยชน์นั้นได้อะไรบ้างและเราก็ต้องคิดข้อดีสองต่อไปว่าเงินทองพอไหมมันจะเหลือใช้จากการครอบครองครอบครัวไหมหรืเราทำไปแล้วจะเดือดร้อนไหมถ้าทำแล้วไม่เดือดร้อนแล้วนั้นเราก็กะไปทำทำแล้วประช่นใจางานนั้นสมเร็ดเดียรการจะถูกปัจจัยชัยทานของเรา เขาก็ไปใช้เป็นประโยชน์ในส่วนรวมและส่วนทั่วไปเราก็ได้บุญนี่แหละทำด้วยสติปัญญาอย่างนั้นโยนิโสมานาสิการทำด้วยเจตนาอันเป็นส่วนกุศลและผลเนื่นองเกิดกบพึงได้และจะไปเกิดในชาติได้พบใดในอนาคตมีทั้งบุญวาสนามีทั้งสติปัญญา ไม่ทั้งจะตกปัจจัยเยียทานครบถ้วนขบวนการเป็นกฎแห่งตามอันหนึ่งที่เราจะต้องได้ทิพพึ่งทางใจติดตัวไปจูซ้ำไปอย่าพบบางคนทำไม่ได้นึกกลองอะไรทําไปโดยหาเหตุผลไม่ได้เลยก็ไม่ได้บุญแต่กุทรอนเลยก็ได้สิ่งที่มันไร้สาระติดตัวไปไม่เงินมีทองก็ไม่รู้จักจะใช้ เพราะไม่มีปัญญาใช้เงินใช้เงินไม่เป็นเลยก็กลายไปโคลนโซลุ่ยซูล่าจ่ายไปโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวเสียวเวลาตามที่หามาได้ความยากหามาได้ความลําบากและจ่ายไปโดยลาเหตุผลนีนอย่างนี้มีส่วนจํานวนมากมิใช่น้อยอีกประการหนึ่งแต่ขอเจริญพรทั่างหลายอีกวาระหนึ่งด้วยเหตุการทําบุญทุนทาน การมีสติปัญญาการมีสิลการมีสิ่ก็คือการที่เรามาเจริญสัตกรรมฐานต้องการให้เป็นผู้ปกติมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตเข้ไว้ได้ในเมื่อควบคุมจิตไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วกันจะกลายเป็นคนละหล้วมหละแหลลิ้วไหลแล้วก็จะกลายเป็นบุคคลผู้ล้มเหลวในโอกาสข้างหน้า แล้วเรากไ็ไม่มีความสบายใจจิตไม่สงบจิตไม่สบายเพราะจิตมันไม่สงบมันก็ไม่เกิดความสบายใจเพราะจิตใจก็ล้มเหลวปะจามเรื่องตามราวของหายนะแห่งการกระทำาพราเราเองมิใช่คนอื่นทำให้ความเจ็บเ็จของชีวิตนะ่มันเป็นทำให้เราสบายใจให้เรามีความสุขความชื่นใจ ในการทํางานเนี่การครองเรียนและการครองรักระหว่างสามีภรรยามันก็มีความสุขในครอบมีครัวห้องตอ น, นยกตัวอย่างที่พูดตักทีนี้เนะี่ยนี่เรื่องจริงที่ได้มาวันนี้สามีไม่เอาไหนยาเล่นกาพันนามแถมเจ้าชู้ด้วยไปดูลูกภูเมียแจกประการใดภรรยาก็ไม่เอาไหนดา่าประพฤติดา่า ได้หึงหวงขอสารย่าโยมผู้หญิงเดิมาตกไปหิงต้องหวงอกเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาเสียสลมั่งมได้ยังไงลาให้เาไปบ้างสิเวนดอนถ้าอย่างเสียสลมัีได้นยไมโยมเสียสลสามีไม่ได้ชิตมาถามพวกกรรมฐานหลายคนอ๋อเสียสลได้ข้า ต่อไปนี้ฉันจะไม่หึงแล้วฉันจะไม่หวงแล้วจ้ะจริงเหรอจริงจ้ะแต่อย่ามาควงให้ฉันเห็นมาควงทำไมมาควงแล้วมันทำให้แน่นนะอกคลอกอยู่ในใจนิยงผู้หญิงขี้มักเป็นอย่างนั้นแต่อย่างนั้นไม่รู้เรื่องอะไรฮะยมผู้หญิงไม่รู้เรื่องอะไรฮะเลยวันนี้เขาเล่าให้เราฟัง หลวงพ่อหนูตรงตกสวดมนต์พุทธคุณของหลพ่อภาะกาเราจะเริญกุศลภาวนาเลิกเลยตรงตกตรงตกเลยแผ่เมตตาสามีแผ่เมตตาสา ม, ม, าามีเดินจะไปอยู่ว่าใครขอใอยเขามีความสุขความเจริญขอเจริญพรสามโยมผู้หญิงที่นี่ทำได้ไหม แผ่เมตตาให้สามมีไปอยู่ก็อยู่คนนั้นให้คนนั้นมีความสุขด้วยทำได้ไหมฮะได้แน่นะแม่ผู้ไม่ตลงทำได้แน่ก็แบบแต่ตะที่นี่นะโอ้ฉันตรงตกแล้วไม่หึงไม่หวงอย่ามาคง้งเห็นสินะสมมาไ ม, ยยมไม่เชื่อโยมผู้หญิงอ่ะไม่เชื่อนี่ไง เราบอกว่าเทียทองเท้าหัวเลยนะไม่ยอมเสียหวยใครเห็นเด็กมันพูการเด็กพูดเราไม่ใช่ผู้ใหญ่พูดเราผู้ใหญ่เขาไม่พูดหรอกเสียทองเท้าหัวไม่ยอมเสียหวยใครนะเด็กเขาพูการ น, นี้เขาเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็ เ, เปลี่ยนใหม่ เ, ลล เ, เ น, มนี่ก็เปลี่ยนว่าไงยมรับฟังกัเปลี่ยนว่าไงฮะ เดชะมาก็จำไม่คอ่อยได้แล้วอันนี้กนเรื่องจริงตยจยเป็นเรื่องของความคิดของคนเปเรื่องธรรมดาโยมต้องคิดหัมีกลับสิ่งที่เขาชอบการ ถ้าเราแผ่มเมตตาแล้วนั่งเจริญกรรมาฐานตรงให้ตกแล้วนั้นเขาจะหันหมิงกลับมาหาเรานะก็จะเกรงอกเกรงใจเราขึ้นเขาก็จะเพิ่มความรักเรามากขึ้นถ้าความหึงเนี่ยมันไม่เพิ่มความรักหรอกโยมผู้หญิงไม่เข้าใจทําไมถึงหวงหืงตอบให้ฟงังเพราะมันห่วงทําไมถึงห่วงถ้ามันห่วง ทำไมถึงห่วงละ่ะก็มาตอกพ่วงลึกชะแล้วลูกมั่งใ่ถึงเรื่องเก่ามาั่งขอให้นาะงวัตรานาที่มันชอบกับผัวฉันขอให้มันชีพหายใจห่วงไปนี่ อ, อย่าเปอย่างนี้เลยชิพหายแล้วชิพหายก่อนเราชิพหายก่อนเลยไปกดแทงกรรมนะอขอฝากญาติโยมมาในที่นี้ด้วยอย่าไปแช่งเขา ในการเจริญกรรมฐานเนี่ยมันมีเหตุผลหลายประการต้องการลึกเหตุการณ์ของชีวิตเราไปแก้โดยเอาแก้อย่างนั้นไม่ได้แต่การดา่าการว่ามันมีแต่ความฝังใจให้เกิดทิฏฐิทําให้เกิดผิดเหตุผลทําให้เขาคิดผิดต่อไปมีทิฏฐิมณนะเราความดีเข้าไปใช่ไห จะแก้กลับร่ายกายดีได้โดยไม่อยากนักมีกับพู้โยมหญิงโยมชายมีปัญหาในครอบครัวมากที่มาที่นี่มีอยู่ห้าปัญหาหนึ่งครอบครัวไม่มีความสุขเลยนะเป็นกฎแห่งกรรมสองรองลงมานั้นผิดหวังในชีวิตแก้ไขชีวิตไม่ได้ไม่รู้จกจะแก้ไขควรจะเจริญกรรมาฐานมาแก้ไขชีวิตทําให้ตัวเองมีสติปัญญา เอาไปแก้ไขปัญหาตัวเองจะดีกว่านี่ข้อสองข้อสามผิดหวังในชีวิตยังไม่พอก็ทำให้เป็นโรคประสาทเป็นโรคประสาทการเพาคิกแก้ไขชีวิตไม่ได้แก้ไขไม่ตกระการที่สามมายามาที่วัดนี้ลูกไม่อยากเรียนหนังสือทำยังไงก็ไม่เรียน แล้วก็บนเพ้อฝันกันไปนานาประการประการที่สี่เป็นหนี้สินผูกพันมากมายไม่มีโอกาสจะใช่หนี้เขาได้ประการที่ห้าดีแล้วยังไม่พอตกเกียรตะกายไปยากจนหมดเงินหมดตัวหมดเนื้อปัญดาตัวแลบมีเงินร้อยล้านก็หมดไปหมดโอกาสที่จะพิจารณาตัวข้างเขา ถ้าเรามาเจริญกุศลภาวนาแต้ไขโกรธแห่งกรรมจากการกระทาของเราได้โดยไม่อยากนะักอ น, นี่มันอยู่ในเหตุผลข้อเท็จจริงสำคัญเราไม่ค่อยเจริญกรรมาฐานด้วยจิตใจจริงและปฏิบัติในการแผ่มเมตตาตัวนี้เนี่ยทำได้โดยไม่อยากนักเรียกว่าสื่อการสอนที่ดีที่สุดชีวิตจะไม่ล่มเหลวแน่เรามาทางานกระทุกวัดทุกวันนี้ ทำให้ชีวิตล้มเหลวทำให้หลักการเสียทำให้แนวชีวิตต้องเปลี่ยนไปตามภาวะของกฎแห่งกรรมไม่สามารถจะเดินตามแผนที่ที่บอกมรรคมันคาคือวิชาการนั้นเราต้องเดินตามวิชาการคือแผนที่ที่บอกเรานั้นแต่การเดินตามแผนที่นั้นมันก็ไม่เหมือนกันเดินไปแล้วก็ได้คพลยอยาง กามีบุญวัฒนาไม่เหมือนกันปัญญาติดมากับตัวความรู้อยู่ในตำราใครมีพรฉวั์ก็ไปศึกษาเองแล้เวเดี๋ยวมันก็ได้ผลติดตัวขึ้นมาทันทีอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้มิเป็นความหวังของชีวิตอันหนึ่งแต่เราก็หาที่พึ่งทางจิตใจกันได้ยากมากไม่มีบทความในชีวิตขงเขาแต่ประการใด การกดเหตนกา ร, รม์เนี่ยสำคัญหลายเรื่องต่อมาจะยกเคยยกตัวอย่างให้ญาติโยมฟังมาหลายคราวหลายหลายวาละแล้วมีผู้หนึ่งแต่ก็ไม่ออกชื่อเขาเดี๋ยวนี้เป็นผู้มวยการกองประแล้วเป็นโยมผู้หญิงอยู่ทำงานกระทรวงศึกษาธิการตอนนั้นเป็นชีเจ็ดก็ยังไม่มีครอบครัวตั้งบ้านเรือนอยู่จังหวัด อาทนบุรีและมีที่ดินอยู่ทางจังหวัดอ่างทองก็พอสมควรพ่อแม่ของมันอยู่ในกรุงเทพแกบจจการได้เขาก็มีเงินมีทองพอใช้สอยในอัตภาพของเขาแล้วก็เขามีความรู้ปริญญาโททำงานกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็มีเพื่อนมากหลายด้วยกัน ก็ให้ค้ำประกันธนาคารเขาเอาเงินไปกี่ล้านไม่ทราบแล้วก็ค้ำหลายคนเขาเอาเงินไปไหนสองควตสามีภรรยาในคณะปฏิจจานเหมือนกันแล้วไปคำ้ำค้ำแล้วก็ล้มเหลวก็เนื่องจากว่าสองสามีภรรย า, าพวกคิดรวยทางลัฐรวยทางรัฐ ทําประการธนาคารก็ปูเงินกูเงินไปเอาไปไหนโยมรู้ไหมเอาไปให้แม่ชะไม้เอาไปให้แม่ชะไม้มหมดเลยพอดีแม่ชะไม้มีเลี่ยงครับเลยก็หมดโอกาสเลยสองคนนั้นก็หนีไปแล้วเลยเจาตการก็เสียไปก็ให้ออกไปลาออกแล้วก็หนีหายไปสองคนสามีภริยา ก็ไม่กลับมาธนาคารเรียกตัวก็หาตัวไม่พบเลยก็เอานายประกันนายประกันที่มาคำ้ำมาค้ำเงินก็เรียกตัวมาบอกว่าต้องรับใช้มีนะเลยก็จําเป็นต้องยอมรับเราจะผ่อนให้ตามกําหนดธนาคารต้องการก็เรีวกันก็ตกลง เขาก็เที่ยออกเสียใจพอแล้วเป็นเพื่อนกันเนะนี่ขอจเจริญพรเพื่อนก็นหักหลังกันไอความจริงเขาไม่ได้หักหลังหรอกพอดีมันมีเรื่องใช่แล้วก็อยากจะได้ดอกเบีย้ยมากๆเอาเงินมาให้แต่แล้วก็ผิดหวังในชีวิตของเขาการล้มเหลวของเขาไปเลยก็คนที่คํานั้นคือเป็นโยมผู้หญิงนั้นยังไม่มีครอบครัว เลยก็โกรธเสีย อ, อกเสียใจก็ไปบวชชีพราหมณ์ที่ฝั่งธนบุรีก็ไม่ทราบวัดไหนละรู้เราก็ไม่บอกแล้วก็ไปเข้าออกรรมฐ า, านวัดไหนไม่รู้ไปเจออ๋อพระองค์หนึ่งสอนอย่าเสีย อ, อกเสียใจจี่แผ่ไม่ ต, า ใ, มตาให้มันแต่เตาให้มันแท่งไปเลยแผงไปไม่รู้เรื่องสอนกันอย่างนั้น แลวก็แผ่เมตตาด้วยการแฉ่ชยยงชักหักกระดูกมันไม่เอาเองินมาเราก็ช้ำ อ, อกีกช้ำใจต้องใช้ธนาคารเป็นล้านขอให้มันจิตหายขอให้ไฟไหม้บ้านมันขอให้ไฟไหม้บ้านมันก็มีภาวนาอย่างนั้นนะในที่สุดอยู่มาไม่พอเดือนนะไฟไหม้บ้านตัวเองเลยที่ฝั่งโทนต้อง ซ่อมไปจิกแสนเจ็ดมื่นซ่อมบานไปไฟไหม้วงจรไฟฟ้ามันลั้แล้วก็เสียบปลั๊กว้ามาออกจะมาทำงานปรับไฟไฟไหม้ไปครึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปซ่อมบานถึงแสนเจ็ดมื่นซ่อมแล้วก็แช่งเขาคิบหายขลใอยมันิีบหายมีนางกรรมฐานแบบนี้นะ และโยมมีแผลไม้สาอย่างละแบบเนี้แผลไปเถอะมันเอาเงินเราไปเนี่ยจังช้ำอกช้ำใจไม่ใช่น้อยเนาะแทงไปเอถอะแสดงออกจากผิตแล้วก่อนนะเราโดนก่อนนะเราโดนก่อนใครนะจําไว้ใด้านี่เป็นขวดแห่งกรรมก็ร้องไม่เชื่อร้องดูเถอะอย่าไปร้องกันบ่อยนังจะล้มเหลว อ, อย่างแน่นอนเลยผลทุกท้าย เกิดมีเรื่องที่กรมที่กระทรวงสาไม่รู้เรื่องอะไรอธิบดีตั้งกรรมการสอบสวนไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแล้วนั่นเนี่ยแช่เขาชี้ภายตัวชิ้ภายก่อนถ้าใครการโดนอธิบดีตั้งกรรมการสอบสวนถือว่าไม่ดีเนี่ยถือว่าเสียชื่อเนี่ยต่างกรรมการสอบสวนก็ยังเลือดเรื่องยังไม่เสร็จ ก็เสีย อ, อกเสียใจมากแล้วสองเรื่องเลยหนึ่งไฟไม่บาดเนี่ยแพ้ไม่ตายไฟไม่บาดสองอธิบดีตั้งกรรมการสอบสวนไม่รู้เรื่องอะไรแล้วอันนี้เราก็มาต้องข้าวความหลังเรื่องครับพอดีอาตมาไปพูดที่กระทรวงศึกษาธิการเขานิมนต์ไปพูดก็ไปพูดเรื่องโควิดการ แัวก็ฟังแล้วก็โยมผู้หญิงนี่นาะงขงนาเลยพูดไปพูดมาน้ำตาร่วงร้องหา้าคนอื่นเขาไม่ร้องแต่คนนี้ร้องคนเดียวเลยก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรพอพูดจบแล้วก็คลานมาหาสมาบอกหลวงพ่อคะหนูก็เป็นอย่างนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าไฟก็ไม่บานแล้วขณะนี้เสียใจมากคือ กรรมการเขาตั้งกรรมการสอบสวนถ้าหนู้าไม่ดีเขาอาจจะโดนไล่ออกด้วยเขาก็พูดอย่างนี้บุรพอมีทางอะไรบ้างโยมทำยังไงละกรรมฐ า, ายของโยมทำไปแล้วพอได้กำลังสมาธิดีก็ให้มันเป็นไปตามตามให้แข่งมันไปเขาก็เล่าอย่างนี้ เลยจะมาก็บอกว่าลองไปที่วัดดูบางทีจะช่วยเนี่ยเล่าให้ญาติโยมฟังเรื่องนี้เคยเล่ามานานแล้วแต่ญาติโยมมาใหม่ก็คงไม่ได้เคยฟังเลยก็มาที่นี่บอกลาพักร้อนมาก่อนได้ไหมลาพักร้อนมาอยู่ในระหว่างสอบสวนลาพักร้อนมาสักเจ็ดวันก่อน ามานั่งเจริญกรรมฐานอย่างที่สอนอย่างนี้แล้วบอกทำอย่าเพ่งคัสนะอย่าไปคุยอะไรนะนั่งเจริญกรรมฐานจะสอนให้เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเสร็จเนะ้ยก็แผ่เมตตาให้สองคนผัวเมียที่เป็นเพื่อนกับโยมอ่ะจะอยู่แห่งโหนตมบลใดก็ไม่ทราบแล้วเขาหนีไปเขาหนีไปแล้วจะอยู่ที่ไหนไม่ทราบขอให้เขาจเจริญรุ่งเรือง ขอให้เขาล่ำรวยมีความสุขความเจริญในชีวิตของเขาทั้งสองคนแล้วขอให้เขาเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองแยกตรงให้มันตกทีแรกตรงไม่ตกหรอกเรัะสติไม่พอก็คอยอยากจะแช่งเหมือนเดิมอยากจะแช่งเขาอย่างนั้นในที่สุดก็แผ่ไปได้บอกหลวงพ่อค่ะ หนูลองตกแล้วคิดได้ยังมีสถิคินนนาาเนี่ยนั่งกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ให้รวยเนี่ยต้องการมีปัญญาไปคิดแก้ไขปัญหาที่ราจะเดินไปงานได้ในที่สุดโยมผู้หญิงคนนี้ก็คิดได้อ๋อเรายังมีที่แม่ให้อยู่ที่อังทองที่เหนือป่าโมกจะต้องขายพอใช้แน่แต่ตัดสินใจเลย ร้งองบอกเลยดี อ, อกดีใจเลยโอ้คิดใหญ่เลยเมื่อก่อนคิดไม่ออกเลยว่าที่ดินมันมีอยู่ที่บ้านนอกแม่ยกให้แม่ก็ตายไปแล้วพ่อก็ตายไปแล้วไม่มีเนีนะ่มีพี่น้องสามคนก็ก็แยกไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วไปอยู่ประเทศนอกคนหนึ่งสหรัฐอเมริกาก็ไม่ยองไปพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยอนุว่าที่ดินเนี่ยขายได้เหลือกินใช้นี้แล้วก็ยังเหลืออนุว่าเอามา เข้าธนาคารไว้ก็อาจจะดีเนื่อนะ้กากรรมฐานมันก็แกวไปได้มีปัญญานั่นเองมันคิดไม่ออกมันตื้นตามหมดติดไม่มีความสุขในมาจีบล้อมเหลวขายความสุขแล้วไหนเลยเราจะมีปัญญาแก้ไขทุกได้ทุกในปัจจุบันนี้ไม่จ้องไปเอาในชาติหน้าลเอกเอาเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้คิดรงต่อ บอกว่าหนูรงตกแล้วลงพ่อเลยที่ที่ังทองเหนือป่าโมกเนี่ยแม่ให้ไว้ที่ตรงหลายไลย่นี่จะเต็มหกิหรือเจ็ดศไลไม่ใช่แล้วอยู่ที่ดีด้วยใกล้ถนนด้วยขายก็ได้เหลือที่เหลือช้ตัดสินใจตรงตกแล้วก็ดีใจจิตใจก็เข้มแข็งมีอำ น, นาจขึ้นเลยก็ตรงตกคืนต่อไป อีกสามวันครบเจ็ดวันก็แผ่เมตตาจิตมันก็แรงให้ผู้คู่กรณีที่ให้คําประกันเงินนั้นให้เขารวยให้เขารวย ใ, ให้เขามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วข้าพเจ้าขอถอนคําพูดขอถอนคําพูดให้หลวงพ่อให้อนหน่อยนะถอนคําพูดที่แชงเขาให้ไฟไหม่บ้านแชงเขาให้คิตหายใจโหง ถอนคำพูดและจะมาก็อนุโมทนายะถาฉัพเพียเขาเป็นการโหสิกรรมแทนและเขาก็ดีใจกำลังใจมันก็เกิดขึ้นในเมื่อกำลังใจเกิดขึ้นก็เดินกรรมาฐานเพื่อคร่องแคล่วสติก็เต็มที่กลับไปกลับไปชังโน้นก็ไปรับราชการไปทำงานนล่มาแล้ว การสอบสวนไปสอบสวนมายกเลิกไปไม่รู้เขายกเลิกกรรมาการเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไรสะะ้สาระเป็นเรื่องที่หาความใส่การเขาว่าวอย่างนั้นเลยตัดสินใจกรรมาการเข้าลงมาติเป็นเอกฉันน์ว่าไม่มิพิจแต่ประกานได้เ ส, ส น, เนอที่พอดีไปทีบันีก็อนุโมทนาไม่เป็นไรก็จาวไปนี่ขอหนึน่ง จากอันนี้สง์กรรมฐานแล้วก็ต้องถอนคำพูดถ้าเราไปแช่งใครเข้าไว้นะหรือจะไปผูกเจ็บใจเจ็บพยาบาทใครต้องถอนคำพูดก่อนเนะี่ยถอนฟ้องก่อนนะไม่งั้นท้าจะมีเวรมีกรรมติดตัวไปนะขอเสนอเนี่ยอย่างนั้นในที่สุดบุญกุศลที่เขาจะได้เงินกลับคืนมานะ ไม่ต้องขายที่อย่างทองด้วยอำ น, น, า, อ น, นาจำอำนาจกรรมฐานนี่เนี่ยอำ น, นาจมันตั้งจิตให้ปรงตกแล้วก็มีสติไม่อยากได้แล้วเราก็ยอมรับใช้มีของเพื่อนไปว่ามาก่อนชาติก่อนเราเคยไปเอาของเขามาเราก็ต้องใช้ไปปรงตกเช่นนี้เนี่ยเป็นตัวปัญญาที่จะแก้ไขปัญหา ไม่ใช่มานั่งกรรมฐ า, านแล้วให้รวยเองกลับไปให้เงินทองไหลามาเทาเองแล้วเราเป็นนี่ขาวมากมายนั่งกรรมฐ า, านไม่ใช่เงินมาเองนั่งกรรมฐ า, านต้องการให้มีปัญญาแก้ไขปัญหาเรากลับไปแล้วจะได้มีสติปัญญาไปคิดขึ้นเนี่ยดูที่มานั่งมาจี่วันทิพไ์นเลยว่าโรงตกว่าอ๋อที่ยังอยู่ที่อ่างทอง แม่ให้ไว้ที่ประหน่งของยายยายให้แม่แม่ก่อนตายก็ให้ลูกคนนี้ไว้ขายได้แน่นอนเลยก็โปรงตกไ้ว่าจะขายที่ใช่หนี้เขาเลยพอดีกำลังใจมันยังตกอยู่การสอบสวนที่อธิบดีตร้งกรรมการสอบสวนขอเจ้ากรรมการลงมติเป็นเอกฉันท์ทั้งหมดปาดนาย บอกว่าคนนี้ไม่มีผิดและกัองา น, นการก็เรียบร้อยไม่เป็นความจริงที่กล่าวหาแต่ประทานได้เลยก็กลับล้ายกลายดีขึ้นเลยก็กล่าวทังสองคนสามีภรรยาหนีไปอยู่เชียงใหม่หนีไปอยู่เชียงใหม่ก็ไปรับจ้างทําสวนของเจ้าณเชียงใหม่ สองคนสามมีภรรยาเพราะไม่รู้จะไปหาใครได้เลไปหาเพื่อนเพื่อนก็เหลียว ห, ห, หลังให้พอจะแล้วไอ้คนตกอาบเนี่ยหมดบุญวาสนานเนี่ยไฟหมดอหมอดมอตอรมตรี่หมดไฟแล้วเปิดไฟไม่อยู่มันก็ไปไม่รู้จะไปผึ่งคลายเหมือนรถต้องสายตูดหยุดแล้วก็ต้องสายไม่งั้นมันไม่ติดแบบนั้น หมดหวังที่จะช่วยได้เลยก็ไปอยู่เชียงใหม่สองคนสามีภรรยาก็ช่วยกันสวดมนต์ไว้พระบอกเราไม่จะคิดโกงเขาเลยนะแต่จะทําไงหนอจะหาเงินเอาไปใช้หนีเขาได้เราบริสุทธิ์ใจที่ต่างใจกู้ธนาคารไปก็ไปให้แมกคนนั้นที่เขากู้เงินกู้ทองเอาไปให้เขา แล้วก็ได้ดอกมา ก, มากๆอะไรํำนองนี้มันก็เกิดมีปัญหาเขาก็เกิดจับกันขึ้นเลยก็ต้องล้มละลายหายศูนย์ไปทั้งหมดก็ไม่ได้คืนเลยพอดีเกิดโดนบันดาลเจ้านะเชใหม่ก็ดู2องคนสามีภรรยาเกิดมีบุญวาสนาก็เกิดมาเจอเขาก็ถาม นี่คุณมาอยู่กับเราเนี่ยจะสองเดือนแล้วตกเขาจาเดือนที่สามเราสังเกตพวกเราทั้งสองคนเนี่ยเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หลเลาะบางครั้งทำงานดีเลือกเกินนะแลวบางครั้งก็ไปนั่งคุยกันแล้วก็ร้องไห้เพราะเรื่องอะไรบอกเราใชหนี่บุญมาถึงเนี่ยบุญมาถึงแล้วยาเขาสองคนสามีภรรยายก็ช่วยกันสวดมน ปวดพาวงมากาแล้วก็ท er the er so kind of ําให้นะเศร้านยงใหม่ถามถามว่ามีเรื่องอะไรบอกเราหน่อยได้ไหมเห็นคุณเนี่ยสองคนมาทําสวนมาทําล่ทําอะไรเนี่ยเห็นขยันมันเพียรดีเอาใจใส่ดีเลือเกินเห็นอกเห็นใจนะมาอยู่ได้ราสองสาเดือนเนี่ยมีเรื่องอะไรเล่ามาฟังดูนี้ สองสามีภรรยาก็เล่าเหตุการณ์ดยงที่กล่าวมาบอกความกลงว่าได้ไปกู้เงินธนาคารแล้วก็เปหนี้หลายล้านมันมีหลายเจ้าเจ้าเจ้าหนึ่งเป็นเพื่อนการเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบมาด้วยการแล้วก็ไปทำเขาเขาเป็นคนทำประกันแล้วก็เขาก็หนีมาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเราเห็นใจคุณนะ เอาหน้าโฉนที่ไปขายที่ที่ดินมีอยู่หลายร้อยไร่อยู่ทางไอ้ดอยสะเก็ดดินดอยสะเก็ดไปทางไหนก็ไม่ทราบเราก็ไม่รู้แต่คุณขายได้เราเอาแค่อะไรชิบพ่าล้านหรือชิบล้านจะไม่ได้ละเอียดถ้าเกินกันนั่นเอาไปเทอะเอาไปขายเลยถ้าขายได้นะเกินกว่านั่นคุณเอาไปหมดเราไม่ว่าเจ้า เราขอให่สิบล้านหรืออะไรทำนองนี้เนะี่ยเลยก็เกิดโชคดีพายนี้ยสิบห้าวันขายได้สิบห้าล้านขายได้อย่างดีด้วยแล้วสิบล้านนั้นก็ให้หนาเชียงใหม่ไปแล้วก็ได้เงินห้าล้านเงินสดกลับกรุงเทพกลับเอามาใช้นี้เคลื่อนที่รักการเรียนสวนกุหลาบมาด้วยกัน เกิดดีอกดีใจแล้วใช้นี้ธนาคารไปทั้งดอกทั้งดวงเรียบร้อยแล้วยังมีเงินเหลืออยู่แล้วก็พากันมาที่วัดอภวันี้หลองพ่อค้าได้ผลอย่างนี้อาตมาถามสองคนผมเมียถามบอกไปไงมาไงเขาก็บอกว่าหนีไปหลายแห่งไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่รับ ไปหาใครเนี่ยตกอับเมาดาแล้วไปหาใครก็ไม่มีคนช่วยเหลือเหมือนมอเตอรรี่หมดไฟแล้วทำอะไรก็ไม่มีใครช่วยเลยก็ตอนน้องหนีไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็ไปเปรลูกจา้างทำสวนทำไรอะไรไปตามเรื่องโดยไม่มีใครรู้ว่าเขานะ่ะเป็นใครเล่เกิดบุญดบุญโดนบันดาลของโยมผู้หญิงคนนั้นที่คู่กรณี นี่แหละขอให้แผ่เมตตาได้ผลหนึ่งเลยเขาก็แด่ไปใช้มนีใช้สินเรียบร้อยสองเจ้าก็หมดไปเลยก็หางานทำยากแล้ก็พามาที่วัดอัมภวันของสามีภรรยานั่นก็มาเจริญกรรมฐานอย่างที่โยมาทำก็ดีแหละเขาขอให้ทำจริงๆหน่อยแล้วเขาก็กลับไปร่ำรวยตามเดิม แล้วก็โยมผู้หญิงก็เลยเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้หุ่วิการกองสี่แปดได้ข่าวมาแล้วได้สีเก้าแล้วก็สี 9, เก้าเลื่อนตําแหน่งเป็นไรก็ไม่ทราโยมผู้หญิงคนนั้นนะเลยก็ได้ดิบได้ดีสืกมาเลยบอกแหมไปเข้ากรรมฐ า, านไปบวชชีพราม์วัดไหนก็สอนก็อย่างนั้นเลยมาที่นี่เรามีจะสอนให้แผม่เมตตา ให้โปรงให้มันตอกจะทำจิตใจให้สะอาดหมดโจดทุกประการจะได้ผลขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ได้เป็นส9บเก้าเนี่ยทรงข่าวมาแล้วเดี๋ยวเป็นสิบเก้ามันเป็นเวลานานก็สามสี่ปีมาแล้วอันนี้ก็ได้ผลไอ้ที่เขามีเรื่องยุ่งๆกันเนี่ยนะเนี่ยขอจเจริญอรผู้ปฏิบัติธรรมจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะ พอได้พอเสียอยู่กับท่านเองเนี่ท่านจะมาสร้างมูลให้เกิดความสุขหรือถ้าออกงการให้ร่มเหลวกับชีวิตก็ไม่เป็นไรไม่บังคับท่าลหรอกบังคับไม่ได้มันเป็นเรื่องของศรัทธามันเป็นเรื่องของความเชื่อถือต้องการจะมีเหตุมีผลดีท่านก็ทําตามเหตุตามผลของท่านตามที่สอนก็แล้วกันเนี่ยมันมีตัวอย่างที่วันนี้ นี่เล่าให้ทานฟังเลยก็ได้ผลขึ้นมาอย่างนี้การแผ่เมตตามีประโยชน์มากเรียกว่าสื่อการสอนทําให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมนั้นจะได้ผลสมค่าปัทนาเช่นเดียวกันบางทีแผ่เมตตาผิดบางทีสามีภรรยาเนี่ยอย่างเ้าเล่าวันนี้เนี่ยาแผ่เมตตาตรงตกเลยสามีจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไร แต่มาขอเจริญพรเจรินี่ยว่าแม่บ้านสําคัญกว่าพ่อบ้านแม่บ้านมีความสําคัญอย่างยิ่งทําแม่บ้านดีมีปัญญาสามีก็ดียิ่งไม่ต้องอะไรที่ลบุรีเนี่ยถัวไปในพ้นไม่ได้เยอะเป็นแค่พระเอกพิเศษโปรเ ก, กรสเสียนก็เหตุใดภรรยาไม่ดีภรรยาไม่ดีถือเป็นในพ้นไม่ได้ เรื่องจริงที่ลบลีเพราะทหารไปลูกเสกที่วันนิเรารู้บอกว่าคุณเห็นจะเป็ น, นพลไม่ได้เองนะพระเหตุด่างกล่าวมาเขาก้อนตาปิดจริงบอกหลวงพ่อเลยลูกน้องผมเป็ น, นพลหมดแล้วผมยังไม่ได้เป็นเลยเลยก็เปลกอกเสียงแค่พันเหนือพิเศษเท่านั้นนี่แหละแม่บ้านไม่ดีไปอย่างนั้นจริงๆขอเจริญทรบอกญาติโยมเล่ บางคนก็ภรรยาประถมศีปัญญาประถมศีได้สามีเป็นร้อยโทแต่งงานกันที่เชียงใหม่ภรรยาประถมศีนี่คนเชียงใหม่นะเยี่ยมมาเจริญกรรมฐ า, า, านที่นี่เป็นเวลานานตั้งแต่ 2,500 แล้วตามาก็สอนเขามีสติปัญญาดีเลยก็คิดว่าสามีเนี่ย เขาเป็นในร้อยแมาเป็นในพันเป็นใหญ่เป็นโตเขาคงจะทิ้งเขาแล้วเขาแค่ผสมสีไม่สมสักสีกับสามีผู้รับราชการเป็นในพันเลย ม, มานั่งกรรมาฐานเกิดมุกมณนะเรียนภาษาฝรั่งเศสเรียนภาษาังกฤษไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่เขา้าก็เพิ่มเติมเข้ากลับดีกว่าสามีผู้จาภาทีดีกว่าเยอะแยะ เลยก็มีมือสัมพันธ์นในสังคมขึ้นในที่สุดสามีเป็นที่ไม่ผลเอกแล้วเขาก็เด็กเป็นคุณหญิงไปน่าประทมบีเนี่ ย, ยาวัสนาบา ร, รมีการเจริญกรรมฐานไม่ใช่ว่าให้เดียยศตร์ทำให้เกิดปัญญาปัญญาก็ไปดาเนินงานวิถีชีวิตให้มันถูกต้องในเมื่อวิถีชีวิตถูกต้องตามทํานองครองธรรมแล้ว จะนึกเงินไหลนองมีทองไหลมาก็มีตําแหน่งแห่งที่มีปัญญาดีให้กับลูกหลานของเราต่อไปเลยโยมผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นเลยสามีตกกระเทียนแล้วก็ต่างลกลาที่เชียงใหม่ขายของให้สลังสลังมาเที่ยวมาเชียงใหม่มาอลไรกับชื่อข้าวชื่อของเขาข่าวคองแต่ในเชียงใหม่ เขาฝรั่งรวยติดต่อกับฝรั่งต่างประเทศกระทั่งภาษาฝรั่งเศสก็เก่งภาษาอังกฤษก็เก่ ง, ากกงสามีพูดสู้ไม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวัสนามีแหลพรสวรรค์มันอยู่ในตัวของคนเองแต่คนเอาไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรก็เป็นบุญวัสนาเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทําของเขาทางนั้นเองนะก็มีประโยชน์ไม่ใช่น้อยเช่นอยู่กัน บางทีเนี่ยเงินทองทวงไม่ได้บางคนก็เปห น, นี้สินเขานีมีคลีกคนเนึ่งเขาจะเป็นพืิที่เขาถลิกจำไม่ได้แน่ลูกสามคนเกะหมดแต่ตัวเขาก็ไปห น, นี้ธนาคารตึกก็จะโดนยึดจะดอนล้มอะลายไปแล้วจิตใจไม่สบายเลยจิตใจไม่สบายเลย ก็มาที่วัดอัมพวันนี้อาตมาบอกว่านั่งฟังกรรมฐานหน่อยเพื่จะจำไปทำอาตมาก็ไม่ทราบ ว, ว่าเขาเป็นคลีสเลยก็บอกว่าเนี่ยโยมรุ่มใจเรื่องอะไรโยมก็บอกว่าดิฉันน่ะของโคลนสามมีภรรยาเนี่ยรุ่มใจเรื่องลูกหนึ่งไม่อยากมีนังเสือลุ่มข้อที่สองเป็นนี่สิลขา้าวอนาคตาจะยึด จะฟ้องล้มละลายแล้วจะทําอย่างไรเรื่องที่สจะแตะไถอย่างไงก็ไปไม่ตกไปหาวัดวาลามหาหมอดูหมอดูว่าจะรวยเหมือนนั้นจะรวยเมื่อนอี้จ้ทําบุญอย่างนั้นให้ไปซื้ออย่างนี้เลยก็ยิ่งหนักเขาไปอีกเงินทองก็เลยหลอไปก็ไปนี่ถินพเพิ่มเติมอีกจะทําอย่างไรครับหลวงพ่อเฮ้ยอาตมาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นคึกไม่งั้นจะไม่แนะนํา แล้บอกโยมเราเอาอย่างนี้ชินเอาอย่างนี้นะสวดพุทธคุณประธารมคุณปามัมตาและเจริญสมาธิบาเพ็ญจิตกภาวนาแล้วแผ่เมตตาครับให้เจ้ากรรมในเวรในาชาติก่อนเราเคยไปโกงเขามาก็ให้มันหมดไปเถอะในชาตินี้เราไมา่ได้โกงใครแเมื่อก่อนไม่เคยโกงใครเข้ามานะมันอาจจะกลับมาตามเดิม ถ้าเป็นของเราก็คืนมาถ้าไม่ใช่ของเราให้เขารีบไปเถอะก็บอกไปอย่างนั้นแล้วก็กลับไปได้วยความดีใจได้หนังสือสวดมนต์ปายเขาก็ไปสวดมนต์ไหว้พระลูกกลับร้ายกลยดีทันทีเริ่มต้สามีภรรยาแผ่ให้ลูกก่อนลูกเกิดจงมีความสุขความเจริญตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกนะ